พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่19โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ 4, ส่สิงหาคม 2,559 มีชื่อเรื่องว่าแซงคิวเขากระเป๋าแห้งวันนี้หลวงพ่อจะมอบ มอบปัจจัยให้กับท่านผู้กากับ2อรายสรายการารายการ1ก็คือมอบให้ท่านผู้การให้ท่านผู้กํากับไปมอบให้ผู้การจังหวัดรายการหนึ่งเอาใจที่สพนายูงเกี่ยวกับอาคารที่ยังไม่เสร็จน ะ, ะแล้วให้ พวกกำกับมานั่งอยู่ทางฝ่ายนี้เราก็ให้เท่าแก่กับพวกนายกพวกนีพวกพ อ, อ, อบ้านกล้องพวกกลุ่มมานั่งอยู่ฝ่ายนี้เออเอาเข้าวิดีโอชักหน่อยว่ะเอาประจำที่ใครจะใครจะมาเข้ากล้องมาได้ปัจจัยสตางจ์จำนวนนี้ที่หลวงพ่อไปตกลงกับสพสถานีตํารวจ ภูทรจังหวัดว่าจะมอบให้ผู้การสองแ 0,000 บาทนะและจะมอบให้สพนายวงที่อาคารยังตกค้างอยู่เดี๋ยววันยังจะใช้อยู่ประมาณประมาณแปดห0ืออ่นหลวงพ่อจะมอบให้เป็น6 0,000 นะหลวงพ่อมอบให้วัดของเรามอบให้ห0 0มืนเพิ่มเติมให้มันเสร็จ อาคารของสพนายูงนะสรุปแล้ววันนี้หลวงพ่อกลุ่มของเราคณะของเราได้มอบปัใจจัยให้กับสองรายการรายการแรกสองแสนรายการที่สองหกหมื่นเพราะนั้นวันนี้พวกเราจะได้มอบให้เอาท่านโยมทาแก่เป็นผู้มอบให้ท่านผู้กำกับเมื่อวาน ตอนใบใบไอ้สมชัยชันนี่ดั่มคงเห่าในห้องโวกเวกว้กวอยไหวหลวงพอมัน ห, อห้องหยังมันเป็นประสาทป่นเนี่ยผมแดดแดดแดดกันแดดจางปางยาวาเนี่ยมันหาห้องเ่ยวะวะหลวงพอว่าดมาไปบาร์าตอนเยตมาฝนเท่ร้อง โ, อโหยอยู่ทางนอกสารา น, นอกน้ำเนี่มันโมเมนต์ไหลธรรมดาทำไากระแทก ่งไปตั้งหลายสิบเมตรเลนะมันลงมาจากหลงังคาโอ้โหฝนแห้งอีดีเมื่อวานไงข้ามันตกสักสามชั่วโมงเนะี่ยลงพอวันน้ำถล่มเลยแหละแต่เนี่ยมันนตกประดนประมานสักบ้าน่าจจะถึงชั่วโมงลงพอว่านะตกเมื่อวานไะงแต่กระดูกเจ้าได้น้าได้เนื้อฝนเมื่อวานฝนแรงแต่ผมมาเห็นเออ สมชัยนี่นะมันห้องตอนบายแดดแหแจ้มโยนออกไปแดดห่อนขึอยังว่านไงเอ๊ะมันห้องเนี่ยบ้านแรงก็คง่นก็ขึ้กันกับพวกขี่กากแน่นอนไปเออะคนโบล้านหมาขี่กากมันมันขั้นหมดนไปเอ๊มันขั่นมันก็หัุ่นไหวมันก็มันก็ห้องหมดไปเอ๊อีกอย่างนั้นก็คือกันพวกเถาพวกแก่น่อยอ๋กูเนี่ปวดแข้งปวดขาแล้วลูกล้านไย ฝนที่ตกแต่แทนแหละพลูโควาเลยอันหนี่งชะนีชะ น, ชนีดำาก็เคยทิ้สั่นเราลงไปมันคงจะปวดแข้งปวดขาของมันเราลงไปขั้นเนื้อขั้นตัวเรไปมันก็เลยห้องเรไปเนีเพราะห้องขึอบ้านเนี่ยว่าเนี่ยฝนตกอิเลียวะโอ้เกง่งเกงอยู่หมอดูเฮ้าเนี่ยว่ะหมอชะนีเฮ้าเนี่ยมันหูจักมันบอกเลือกบอกแง่ให้ฝนตกให้พวกเฮ้าหูได้เพราะะรเฟลา่าชะนีห้องนะ ให้ฟังๆวันนั้นลูกหลานนะขั้นจะนี่ห้องผิดเวลาในเก็บผ่าเก็บพรไปห ล, ลอดไปปวิตักผ่าตากแพระว่างออกลงไป <laughs> วันนี้เป็นวันที่สี่สิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสเกเมื่อวานเป็นวันพระแรมสิบห้าคำเดือนแปดเดือนแปดดับเมื่อวานเข้าวรรษามาสิบห้าวัน ก็พี่น้องประชาชนตอนบ่ายก็มีคณะสงฆ์อำเภอนายูงนาโสมพระคงจะเป็นร้0เกือบ2 0งองค์มังเห็นอาจสงทั้งสองข้างเต็มแล้วก็พี่น้องประชาชนก็มากมีหลวงพ่อสดหลวงพ่อภูนาหลาวเป็นประธานแต่มาครวะตามขนบธรรมเนียมประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา มเมื่อวานหลวงพ่อออกไปรับอยู่ที่สาราสาราใหญ่สารานอกนะพอทำคารวะหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่อก็ได้กล่าวสัมโมทนายกถาเป็นภาษาทางอีสานแนะนำพระลูกหลานแต่เมื่อวานนุ่งพ่อแนะนำเรื่องการให้พระใหม่พระน้อยพระหนุ่มที่บวชมาขึ้นมาทีหลังให้เรียนพระปฏิโมก น้ลูกหลานนะเป็นบุญเป็นกุศลเพราะว่าเราสวดปฏิโมกทําให้พระสงฆ์ออกจากอาบัติเป็นการประกาศธรรมส่วนหนึ่งเป็นบุญเป็นกุศลนั้นลูกหลานนะอย่าไปหายขี้เกียจขี้ค้านอันนี้คือลุงพ่อได้พูดเมื่อวานจากนั่นก็ได้อบรมพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให้ หันหน้าต่อเข้ามาสู่ศิลและธรรมเมื่อวานนี่พี่น้องประชาชนก็นหลายร้อยคนอีกเหมือนกันพร้อมเป็นสองอำเภอเ น, นี่แหละแล้วก็วันเมื่อคือนนีก็มีการไหว้พระสวดมนต์ตามปกติเพราะเป็นวันพระนะแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันทําบุญทอดผ้าป่าสามัคคีนะลูกหลานคณะัทยทายญาติโยม ผู้ได้ยินเสียงหลวงพ่อ น, นไปร่วมกันที่โรงพยาบาลศูงอุดรนในมตน์พระสงฆ์แต่ปีก่อนก่อนก็ในมณ์พระสงฆ์ในช่วงเดือนมิถุนาแต่ในช่วงนั้นก็รู้สึกว่ามีภาระธุระรับอะไรตัวมิอะไรก็เลยพลาดโอกาสไปก็เลยมาจัดงานขึ้นมาในช่วงข้อพรรษา ก็าจะทำแบบง่ายๆก็คงจะไม่ทำใหญ่อะไรหรอกก่อนที่มนกูบาาจานมาก็ไม่มากปีนี้ก็จัดงานอยู่ใต้ถุนตึกหลงตานั่ยนะตึกชั้นล่างไม่ได้กลางตรงกลางเต้นปีนี้เพราะนี่มลพระไม่มากแต่ก็จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลศูนย์อุรอนในวัน ที่ที่หนะ่วันที่หวันพรุ่งนี้นะบนะบิณฑบาตแล้วก็สวดพระปริตตะมงคลแลก็ฉันเช้าจากนั้นก็คงจะมีการทอดผ้าป่าก็ได้เท่าไรก็เท่านั้นละ่ะเพื่อดูแลพระสงฆ์อาพาธปีนี้รู้สึกว่าฉุกสุร้อหกพอสมควรนะนนวันพรุ่งนี้หลวงพ่อคงจะได้ออกไปแต่เช้า ออกไปงานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว น, ว น, นี่อันนี้อันนี้คือสงอาพาธเราจะไปมองข้ามทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าผ้าป่าจุดนี้เป็นภาป่าเพื่อดูแลพระสงฆ์แต่เมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ได้ไปเป็นประธานทอดผ้าป่าที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่น ดูแลพระสงฆ์อาพาธก็ข่าวเงินกระไดจะตกปัจจัยทั้ง6ล้านมักแต่ก็ใช้เยอะนะคณะสัตยาญาิโยมโลูกหลานเมื่อไปไประชมุมเมื่อวันที่20กรกฎาที่ผ่านมาบอกว่าปัจจัยจำนวนที่ปีนี้รู้สึกใช้มากเลยหลวงพ่อใช้เร็วหมดไป3ล้านกว่าแล้วหลวงพ่อได้อแต่ถึงอย่างไงอย่างไงกัน ยอมจอมมือไว้หน่อยนะจะให้เกินหกล้านนะเพรเราหาได้หกล้านปีนี้ใช้เกินใช้เกินงบหนะ่ะเอยเดือดร้อนนะแต่ถึงยังไงก็ถ้ามีความจําเป็นก็ไม่ว่ากัน อ, อถ้ามีความจําเป็นเอา ก, กองทุนที่เราได้มาปีก่อนๆนะอาจจะเบิกเข้าไปใช้อีกเงินครูบาอาจารย์พระสงฆ์ตายหมดแล้วมุนิธิจะเก็บไว้ทําไมหลวงพ่อคิดว่ายังไงนนะ่ะ เอามาใช้เกามาใช้เพื่อพระสงค์เมื่อจําเป็นถ้าไม่จําเป็นมากเราก็เก็บไว้เมื่อทดลองความจําเป็นมากอีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้าอาจจะมีความจําเป็นมากกว่านี้แต่ถึงยังไงเท่าจุดนี้มันจําเป็นมากเราก็ต้องเปิดออกมาใช้ให้เต็มความสามารถที่มันมีอยู่ถ้ามันหมดแล้วก็หาใหม่ ถ้าหาใหม่ไม่ได้ก็เออเอามันเป็นบุญวัดสนาบารมีของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เจ็บไข้ในป่วยแล้วก็ไม่มีจะตุปัจจัยรักษาอันนั้นก็เราก็ต้องมอบให้กรรมคือกันนะกรรมคือการกระทำใ น, นสงบุญกุศลในอดีตชาติเหมือนกันนะเพราะในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหลวงพ่อเองก็ไม่เคยหนักใจทาเท่าที่มันจะเป็นไปได้ ถ้าเป็นไปไม่ได้เราจะเป็นหักใจทำไมเราอยากจะได้ให้มันดีที่สุดนะั่นแหละแต่มันดีไม่ได้เราก็ต้องพระพุทธเจ้าท่านว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทามันเป็นไปไม่ได้จริงๆเราก็ต้องใช้ทมข้อสุดท้ายนะอุเบกขาไม่ดีใจและไม่เสียใจในเรื่องที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนั้นแต่มันก็ยากนะ มัดยากอยู่อุเเกรขาเนี่ยบางทีอุเเกรขากับส่วนกลางส่วนอื่นก็ได้อยู่แต่อุเเกรขากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเริ่มไสศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมที่รู้จักมักคุ้นเนี่ยมันวางอุเปเเกขาก็ยากเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงก็ต้องต้องวางฮะว่ายากขนาดไหนก็ต้องวางเมื่อถึงคราวเช่นนั้นเนะนี่แหละอันนี้ก็คือการ ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์โรงพยาบาลแต่ก็น่าอบอุ่นครูบาอาจารย์พระกรรมฐานอย่างหลวงพ่อประสิทธิ์ที่ท่านมรณภาพเมื่อไม่กี่วันท่านก็ปว่วยอยู่นู่นวัดป่ามูใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ท่านก็เป็นคนอำเภอหนองบ้านหนองบัวบานอำเภอมากย่าเนี่ยจังหวัดอุดรของเราเนี่ยท่านก็อายุพรรษาแก่กว่าหลวงพ่อนะอายุของท่านก็เจ็ดิกว่าปี75็ดสิบาก็ไม่แก่มากเท่าไหร่ท่านก็ไปอยู่ทางจังหวัดเชียงใหม่แต่ท่านเป็นเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบองค์หนึ่งในหมู่พวกเพื่อนก็เป็นที่ยอมรับกัน ท่านก็ป่วยพอป่วยเสร็จแล้วหลวงพ่อจันเรียนถ้าสหายพอถ้าเป็นคนบ้านเดียวกันญาติโกของติกาของท่านอีกท่านก็เลยส่งสารส่งข่าวไปถามข่าวก็อาการหนักท่านก็ไม่มั่นใจท่านก็เลยให้ศรัทธาญาติโยมเหมาเครื่องบินจากเชียงใหม่มาลงที่ขอนแก่นแล้วเอาเข้าโรงพยาบาลศรีนครินเนี่ยนะโรงพยาบาลของหลวงพ่อไปสร้างนี่นะ ตึกสงอ า, าพาธชั้นสิบเข้าไปในห้องปลอดเชื้อไปพักอยู่ที่นั่นแต่อาการของท่านหนักมากแล้วนะหลายโรคมารุมมาตุ้มท่านก็ได้มราณาภาพเมื่อวันที่วันที่วันที่ยี่สวันที่สามสิบพอหลงวันที่30กัสสบเอ็ดพอหลงพ่อขึ้นมาวันที่หนึ่ง หลวงพ่อลงมาจากเครื่องแ ล, ล้วหลวงพ่อก็ออได้นำคณะสงฆ์แล้วก็ได้นำผ้าไตรไปสีไตรแล้วก็ผ้าขาวไปสีไม้แล้วก็จะตุปัจจัยไปหนึ่งมืนไปสมทบในงานศพงานสรีละของท่านที่ทำสหายกับพร้อมกับคณะสงฆ์หลายองค์ที่ไปด้วยกันแต่โอ้โหก่อนขึ้นไปมันทางมันแคบเพราะทียังไม่ได้จัดระเบียบในการ มันฉกลงหกนะเพราะท่านพึงเอาศพของท่านมาจากสีนครินพอขึ้นไปคนก็กรูกขึ้นไปนะเนี่อมันอัดขึ้นไปหลวงพ่อก็ได้ลงจากรถเดินเลยโอ้ท่าว่าเขาไม่มารับครึ่งทางนะหลวงพ่ อ, องคงไม่ขึ้นไม่ถึงแน่ๆวันนั้นขนาดเดินไปอขนาดเดินไปถึงขนาดนั่นก็หายใจไม่ไม่ทั่วท้องแล้วงั้นนะ่ะเกือบจะลิ้นห้อยอยู่แล้วเนาะโอ้ พอเนืนั่งรถไปอีกเนี่ยนั่งรถอี ก, อกไกลนะก่าจะไปถึงศาลาโอ้ตาตตาถ้าหากว่าไม่มีรถมารับหลวงพ่อในะวันนี้หลวงพ่อขึ้นไม่ถึงแน่ๆน น, นึกในใจนะลูกจวอกข้อเท้าก็ปวดอีกต่างหากทีนะี้พอขึ้นไปแล้วก็ท่านกำลังถกเถียงกันอยู่แต่ทีแรกหลวงพ่อได้ยินมาจากกรุงเทพบอกว่ า, วาท่านพระอาจา ร, รย์สามนั้นบอกว่าหลวงพ่อ จันเรียนท่านจะเอาไปที่ถ้ำสหายก่อนสักเจดวันจากนั้นก็เอาจังส่งขึ้นไปทางเชียงใหม่หลงพ่อได้ประกาศได้พูดทางนู้นพอที่ยินว่าอย่างนั้นแต่พอมาแล้วก็คณะสงฆ์มีท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคุณราชวรารังการหลวงพ่อทุยแล้วก็หลวงพ่อจันเรียนหลวงพ่อเข้าไปก็เกือบจะเสร็จแล้วละ่ะเกือบจะลงมติกันแล้วละ่ะแต่ก็ยังถกเถียงกันอยู่ บางองค์ก็อยากจะเอากลับไปทางเชียงใหม่แต่หลวงพ่อจันเรียนโอ้ยจาไปทําไมกรรมฐ า, านอยู่ที่ไหนกัเนผะาที่นั่นลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงพ่อก็เป็นผู้นั่งฟังก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรหรอกเพิ่งไปถึงยังงวงเงียอยู่เพราะว่าเรื่องราวประวัติของหลวงพ่อประสิทธิ์หลวงพ่อก็ไม่ไม่รู้ในรายละเอียดท่านตื่นตึกนาบางเพราะนั้นหลวงพ่อจะไปแสดงความคิดเห็น สมสี่มห้าไม่ได้น ล, ลุงพ่อต้องนั่งฟังท่านพูดกันในระยะหนึ่งจากนั้นพระสงฆ์ก็อนุโมทนาสาธุนะเออก็คงจะจบลงคงจะพระราชคงจะประชุมเพลิงแต่คงจะไม่ได้ขอไฟพระราชทานมั่งคงจะไปชุมเพลิงตามปกติพระป่าพระกรรมฐานนั่นแหละไอ้ที่สวนที่ทําสหายเป็นวันที่เจวันอาทิตย์ที่เจ็ด เอสิงหาคมเป็นวันลงประชามตินะวันนั้นอแต่ท่านเจ้าคุณท่านก็บอกเอ้ยวันเป็นวันลงประชามตินะท่านครูบาอาจารย์ท่านก็ บ, าานบอกว่าืออเอาคนละเรื่องกันลงประชามติแล้วยังค่อยมาเผาลงพผผงพ่อประสิทธิ์ก็ได้คนหนึ่งก็ตายทํายังไงก็คงจะจัดวันอาทิตย์นั่นแหละ จากนั้นหลวงพ่อก็เลยเดินมาหรืกลับมาวันนั้นก็จะออกมาจากทาสหายได้วันนั้นนั่งรถเป็นเกือบสองชั่วโมงนะนั่งรถมันติดนะสรุปแล้วก็คือตํารวจก็น้อยเพราะทันไม่ได้เตรียมตัวเตรียมตัวยังไม่ทันนะ่รถมันก็กู่ขึ้นมาอีกอดูดูดลโอฮลาบากทางทางมันมันมีอยสองเลนเอง ที่จอดรถก็มีอยู่แต่ยังไม่มากเมัเป็นเขาอย่างว่านั่นแหละอันนี้ก็คือบอกกล่าวให้พวกเราผู้ที่จะเดินทางไปก็เตรียมพร้อมถ้าจะเป็นคนแก่มากนะถ้าคนแก่มากก็ต้องต้องสืบสอบดูให้ละเอียดซะก่อนนะค่อยไปถ้าหากว่าไปเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวจะ <c oughs> เดี๋ยวได้หามกันลงมาอีกนะการไปเผาศพแล้วไป คาราวะศพภูบาอาจารย์นั้นะเป็นบุญเป็นกุศลแต่ทียังไงก็ต้องสืบสอบดูให้ละเอียดซะก่อน ผ, ผู้สูงอายุนะถ้าไม่สูงอายุทำไม่เป็นไรนะกระโดดโตดต่งวิ่งไปเลยก็ได้เป็นไรแต่ผู้สูงอายุให้ระวังอย่นี้กัลุงพ่อนะเตือนเตือ น, น, นบอกกล่าวสําหรับพวกลูกหลานทั้งหลายจัตไทา ย, ยาตโยมทั้งหลาย น, นี่นเกิดแก่เจ็บตายไม่เว้นไม่เว้นแต่ครูบาอาจารย์ พระเถระผู้ใหญ่หลวงพ่อที่พูดอยู่เดี่ยวนี้ก็เหมือนกันจะไม่ไปที่ไหนนะเดินตามหลังกันไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าวันไหนพวกศรัท ธ, ธา ญ, ญาติโยมที่นั่งฟังหลวงพ่อก็เหมือนกันก็เดินตามหลังกันไปเรื่อยๆบางคนอาจจะแซงคิวก็ได้แซงคิวครูบาอาจารย์ถ้าเดินตามเรียงทิ่เรียงคิวกันก็คือตามอายุใช่ม หลวงพ่ออายุแถวนี้ลูกหลานก็เดินตามหลังมาเรื่อยๆตามอายุนะแต่บางคนลูกหลานบางคนใจเร็วใช่ไหมแซงคิวก็มีเหมือนกันนะแซงคิวครูบาอาจารย์แซงคิวผู้ที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็มีมากต่อมากเพราะฉะนั้นให้พวกเราทันทั้งหลายอย่าตังอยู่ในความประมาทอาจเราอาจจะแซงคิวคู่อื่นเขาก็ได้แล้วกับเงินในกระเป๋าเรามีไมหมล่ะแต่การแซงคิวไปนันนะน พอแสงคิวเปแล้วพอไปถึงที่นู้นเลยแสงคิวเขามาได้แล้วเจนี่เงินในกระเป๋าก็แห้งเจนี่ไม่รู้จะเดินไปที่ไหนโต๊ะโต๊ะเตเตไปหาขอใครไปขอขอขอเงินเมืองผีน่นมันไม่ได้เด้เนี่มันทานลถตัวเองมาได้สร้างเข้าไปจากเมืองมนุษย์แล้วไปขอเมืองผีในยากมากถ้าขอไม่ถูกที่ถูกทางน่ะไม่ได้ละเพราะนั้นขอให้รวกเราทุกๆกคนน่ะ ให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ไอ้ชนีดำสมชายมันร้องขึ้นมาอีกนะฟังๆด้มันจะหยุดแล้วมันจะตกวะเอาพวกเรารับพรในตีนนาะ